อก<อ> <ขา S 2> ็จะเริ่พอ่อนโยมชากราบนมัสการค่ะวันนี้ตอนแรกเมืว่ามันเป็นวันเสาร์ปารูปฏิทิศินอ้าววันศุกร์ไปแล้วใจไปแล้ว <S <S เป็น น, น, นึกถึงโน่นเปนยุคถึงโยมโฟหนูว่าอ๋อวันนี้ถ้าเป็นวันเสาร์เออเดี๋ยวให้โยมโฟขึ้นมาบําคิดออกหน้าอ๋อเมื่อคืนเออหลวงพ่อก็เปิดย้อนหลังใช่ไหมคเออใช่ย้อนหลังย้อนหลัง แ้วก็มีคนเข้ามาเยอะอยู่นะเห็นตั้งสิบสิบหหรือสิบเออประมาณนี้มั้งค่ะก็มีทั้งคนที่ได้ฟังรอบแรกแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาฟังใหม่แสดงว่าก็มีผู้ติดตามสนใจอยู่วันไหนที่ไม่มีใครติดตามหลวงพ่อก็เห็นเหมือนกันแหละเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนสนใจเลยเป็นไปได้ไหมโยมว่าก็ เป็นไปได้ค่ะมีบางห้องเนี่ยที่เขาเปิดแล้วก็สมมติว่ามีมีวันหนึ่งค่ะอย่างอย่างคุณสติเนี่ยเขาเขาไปเปิดเขาจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเอ่อกาแล็กซีอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนเข้าไปแค่คนเดียวหรือบางมีไม่มีคนเลยเขาก็จะอ่านเกี่ยวหนังสือค่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีคนก็พูดคนเดียวได้ไออย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอ้ดีดีดีมากเลยมันอาจจะเป็นบางจังหวะหรือเปล่าก็ไม่แนเ่เนาะค่ะใช่ใช่ค่ะ แต่ทีนี้อย่างหลวงพ่อบางทีก็เข้าไปไม่ได้เข้าหรอกแต่ว่าดูด้านนอกว่าเออห้องเนี้ยมีคนเยอะไหมแต่ถ้าดูนะห้องที่คนเยอะๆเนี่มันมันก็ไปในห้องที่ที่ไม่ใช่ธรรมะเนะาะก็จะชอบเรื่องพวกนั้นมากกว่าธรรมะค่ะแต่ว่าห้องธรรมะในออในคับเฮาส์เนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากค่ะเยอะมากๆเลยประมาณถ้าถ้าต้องบอกว่าเกือบเกือบ หลายสิบเป็นร้อยก็มีค่ะโอ้โค่ะค่ะงั้นหลากหลายมา ก, กนนอะเนาะหลากหลาย<ช>ทั้งเออถ้าได้ยกอย่า ง, งโยมอะโยมโอเคโยมเพราะเป็นโยมเป็นคาราวานเนาะโยมได้สอดส่องเที่ยวห้องโน้นหอนี้พอได้แต่พระนี่มันดูแล้วมันมั่วไม่ไม่ได้ต้องอยู่ห้องตรงนี้แหละใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าเอออย่างธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะห้องไทยค่ะคือต่างชาติก็มีค่ะ เ ป, เป็นธรรมะของกกศาสนาไหนาศาสนาอื่นใช่ไหมาศาสนาอื่นก็มีค่ะแล้วก็รวมถึง<ม>ชาวต่างชาติที่อย่างเช่นอย่างชาวญี่ปุ่นเขาก็ญี่ปุ่นแต่ว่าธรรมะก็มีค่ะ<อ>ค่ะแล้วก็ห้องอย่างห้องอย่างชาวต่างชาตินะคะที่ภูยภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีห้องที่เป็นธรรมะก็มีเหมือนกันค่ะค่ะอย่างมีมีท่านไม่แน่ใจท่านชัยพลนะคะท่านจะจัดกับ อีกท่านหนึ่งค่ะก็เป็นชาวต่างชาติเป็นพระชาวต่างชาติก็ก็มาจัดด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะอืมเอาทาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเนาะค่ะอืม อ, มอมก็จะมีหลากหลายค่ะก็ดี่ค่ะเป็ น, เ ป, นเป็นการเขาเรียกคะแลกเปลี่ยนนะคะอืมใช่ใชมันจะได้เห็นโลกกว้างกว้างขวางเนาะ<ช>เพรา ะ, ะว่าถ้าเราเราอยู่คนเดียวมันมันแคบแคบมันเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรนะกบในกะลา ค่ะแต่จริงเนาะในชีวิตนี้ถ้าพูดถึงเนาะบางคนเนี่ยเขาเขาก็เก็บตัวจริงๆเนาะเหมือนกับ ว, ว่าไม่ไม่รับรู้โลกภายนอกเหมือนกับ ว, ว่ามันคนประเภทอาจจะไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็อยู่คนเดียวแต่คนพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นี่เนาะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็มันแล้วแต่คนเลือกค่ะเลือกบางคนก็นเลือกที่จะ เออไม่เจอคนก็มีเหมือนกันจากที่เคยเจอนะคะแล้วก็กลับมันไม่เจออย่างเพื่อนหนูบางคนเนี่ยคือปฏิบัติปฏิบัติถึงขั้นอุกฤษเนี่ยค่ะถึงเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> ก็หายหน้าไปเลยค่ะแบบไม่เจอไม่ไม่ส่งสิ่งไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะโซเชียลมีเดียก็คือตัดทิ้งก็มีเหมือนกันอ่ า, อา <c oughs> แต่ว่าก็คืออั น, นก็คือเลือก อันนื่องแล้วแต่แต่และบุคคลค่ะนะะแต่ว่าจริงๆเราอยู่ในโลกปัจจุบั น, นะค่ะโลกเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ยังใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็คือต้องปรับปรับให้มันสมดุล น, นะคะนี่เรื่องการปรับตัวเนี่ยบางทีอันนี้ก็เคยตัวเองก็ผ่านมาหมดแล้วลไอ้เรื่องประเภทสุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะอย่างเช่นชเออบางบางโอกาสบางช่วงเวลาเนี่ยความรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากพบใครนะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอะไรเนะี่ยเนาะแล้วก็เป็นความพึงพอใจว่าเออดีเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องพบใครไม่ต้องอะไรนะคล้ายๆว่ามันเป็นความพึงพอใจแล้วก็อาจจะเป็นความสงบอย่างหนึ่งนะอ่่คะจากการสังเกตว่าอพออยู่นานๆคนเดียวตอนแรกใครดูดีแต่พออยู่คนเดียวทําไปทํามามันก็เบื่อได้อ่ะเบื่อได้แล้วก็อยากจะไปคลุกคลีอ่าอยากไปคลุกคลี อ่าแล้วก็พอไปคุกครีทักช่วงหนึ่งเอา้ามันก็อยากจะมาอยู่คนเดียวอีกแล้วแล้วก็มันมีสมัยหนึ่งที่ตอนบวชครั้งแรกนะปีปีสี 48, ก็บวชในสายงานหลวงพ่อเทียนนี่แหละเขาจะมีเก็บอารมณ์อ่าวันคืออ่ไม่ต้องทำงานเลยเนาะะบิณฑบาตก็ไม่ต้องแล้วก็สวดมนต์ก็ไม่ต้องแต่ให้กักไว้อยู่ในในกุฏิที่มีบริเวณแคบๆอย่างเนี้ย แล้วก็ให้มาฝึกรู้สึกตัวกับกับแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนาะสิบห้าวันไม่ต้องไปทำอะไรเลยอ่าเราก็อยู่แล้วก็ตอนแรกๆมันก็ดูดีเพราะมันเหนื่อยม า, มากมันก็อยากพักนะว่ามันก็ว่าเออชีวิตเนี้ยเอาหาความสุขใส่ตัวในช่วงนี้แหละดีที่สุดคืองานไม่ต้องทำมีแต่ฉันแล้วก็กลับมากุกลับมากุบพอเราอยู่ไปตอนสักไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์เริ่มเบือ่อเบื่อมากเลยเหมือนกับ อยากจะออกไปข้างนอกไปทำโน่นไปทํานี่ไปเดินจงกรมตรงนน้นไปเดินไปบินทบาทนะแต่ปรากฏ ว, ว่ามันทรมานมากเลยไอ้ตรงที่ที่อยู่กับอยู่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแล้วก็พอครบสิบห้าวันปั๊บโอ้ยเปลี่ยนใช่ไหมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ปยนไปไปเหมือนกับว่าไปเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะทํางานบ้างช่วยงานวัดบ้างแล้วก็ข้อวัดต่างๆทําครบถ้วนใหม่ๆก็ดูดีสดชื่นเนาะ แต่พอไปสักพักหนึ่งอ่ามันอยากจะเก็บตัวอีกแล้วหลวงพ่อก็เลยเรียนรู้กับสิ่งพวกเนี้ยว่าเนี่ยที่เขาพูดถึงว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเนาะอะไรที่มันเรียกว่ามันเป็นทุกขังคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยก็มาเรียนรู้มันว่าใช่เลยอ่ะเนี่ยความจริงอ่ะมันจะทนอยู่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งให้นานเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นทุกข์หลวงพ่อก็เริ่มเรื่องเรื่องเห็นสัจจะความจริงข้อนี้ก็ตรงตรงนี้แหละเห็นมากเลยอื เวลามันเบื่อเบื่อจริงนะแบบโยมแบบเบื่อแบบเซ็งสุดๆเลยอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีมันถึงขั้นขนาดว่าโชีวิตนี้ไม่รู้จะทำอะไรนอนหลับดีกว่าหลบๆเสีก็คือไม่ต้องรับรู้อ่ะมันถึงขั้นนั้นเลยนะบางทีมันมันทนสภาพที่เป็นอยู่ไม่ไหวอ่ะเราก็เลยนึกถึงชีวิตของคนบางคนเนี่ยที่เขาต้องต้องอยู่ในสภาพที่ต้องอยู่คนเดียวอย่างเช่นคนป่วยอ่ะ ค, คนป่วยที่อยู่โรงพยาบาล น, นะคนคนที่ไม่เคยป่วยหรือว่าไม่เคยอยู่คนเดียวอะ่ะเขานึกไม่ออกหรอกว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยมันจะเป็นยังไงเนาะท<ะ>ีนี้แต่คนที่ผ่านชีวิตแล้วประสบอ่าประสบการมีแล้วเนี่ยพวกนี้เขาจะรู้ดีรู้ดีเลยว่ามันทรมานแค่ไหนหรือมันยังไง<ะ>อย่างอย่างอย่างคนป่วยนะโยมนึกดูนะสมมติว่าไปอยู่โรงพยาบาล ถ้าคนที่ไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่เคยอยู่โรงพยาบาลเลยเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยก็จะทุกข์มากทุกข์มากแต่ถ้าคนทีเ่เคยออกจากบ้านเป็นประจำเช่นอาจจะหน้าที่การงานเนาะไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่มีกรรมฐานนะอยู่กับกรรมฐานตอนอยู่บ้านเขาก็อยู่กับกรรมฐานก็คืออยู่กับความรู้สึกตัว แล้วพออยู่โรงพยาบาลเขาก็ อ, อ, อยู่กับกรรมฐานพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมันเป็นชีวิตจิตใจไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่กับความรู้สึกตัวคือตื่นรู้อยู่แล้วก็พิจารณาข้อธรรมที่เกิดขึ้นในกายในใจเพราะฉะนั้นพอเขานอนโรงพยาบาลเนี่ยเขารู้สึกอันนี้พูดถึงหลวงพ่อแล้วแหละเพราะหลวงพ่อเคยหลังจากที่ที่ฝึกกรรมฐานแล้วนะชอบแล้วแล้วพอไปป่วยอยู่โรงพยาบาลเจวัน <c oughs> มีความสุขว่าเพราะหลวงพ่อรู้สึกว่าหลวงพ่อไม่ต้องไปทํางานทําการนวางหมดแล้วก็อยู่กับการรู้การหายใจรู้การกับกระดุกกระดิกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะแล้วก็พอมันเพียรมากก็ปิดหลับเลยปิดปิดสวิตหลับแล้วพอตื่นมาก็จเจริญจิตติต่อโอ้ยความรู้สึกมันมีความสุขในความป่วยค่ะเออก็เลยเลยที่เอาไอ้เกล็ดเล็กเล็ดน้อยเนี่ยมาชวนคุยก็เพื่ออะไรเพะว่า เพื่อจะบอกกับญาติโยมว่าเออคนไหนที่ไม่มีกรรมฐานน่ะเวลามันจะมีความทุกข์มากเวลาอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีกรรมฐานเนี่ยเราเราเราอยู่กับอยู่กับตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็จะพบว่ามันจะมีความสุขมากกว่าที่จะไปวุ่นวายกับคนด้วยซ้ํา <c oughs> แล้วก็อย่างความป่วยความเจ็บเนี่ยเวลามันปรากฏขึ้นในร่างกายอะ่ะเหมือนกับว่ามันกําลังสแสดงเนาะมันกําลังสแสดงอดง่าแสดงธรรมนั่นแหละ เพราะว่าอันนั้นองคกเรร็เป็นธรรมชาติเขาสแสดงนะทีนี้สตินะผู้ที่มีสติฝึกสติก็เป็นผู้ดูดูอาการตามที่มันเป็นไปดูเล่นเล่นบางทีขำขำกับตัวเองอย่างเงี้ยดูเล่นดูเล่นเหมือนดูหนังดูละครที่เขาว่าแหละอืม <Okay. S 1> นั้นชีวิตยามป่วยเนี่ยมันมันมันมันมีความสุขได้นะถ้าเกิดวางใจถูกถ้าเกิดมันมีวิธีเอองั้นก็พวกเราเลยหละคนไหนที่ยังไม่มีกรรมฐานนะ ฟังไว้แล้วก็เอามาใช้แล้วก็อยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาเลยอําสลับกันคุยเดี๋ยวหลวงพ่อหมดเรื่องนี้ก่อนค่ะจริงๆก็ชีวิตเราะนะคะบางทีบางคนบอกว้ต้องการให้แบบเอ้วันนี้อารมณ์ดีทั้งวันได้ไหมมันไม่ได้นะคะหรือว่าจะให้แบบสงบทั้งวันอย่างนี้ค่ะมันมันก็ไม่ได้เพราะว่าอารมณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะคะมันก็ มันเป็นความจริงในสัจธรรม น, นะคะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะยอมรับกันนะคะแล้วก็บางทีเราก็ไปสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งหนึ่งหรือว่าไปสร้างอีกแบบหนึ่งเพื่อจะเหมือนกับไปกดอีกสิ่งหนึ่งไว้อะไรอย่างี้คมันก็ยังมีความเป็นผู้ที่หลงไปไปบังคับไปสร้างไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่การเห็นเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปล ง, ปลงต่างๆที่มันทางานโดยอัตโนมัตินะคะอ่า พันะถ้าไม่วกวนไปในอดีตบางทีก็หลงกังวลว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะน ส, สุดท้ายก็หลงเป็นตนเองในขณะปัจจุบันเหมือนกันนะคะว่าเออเนี่ยเราหยุดแล้วทำไมเธอไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะนะคะหยุดโดยไม่ต้องมีผู้ให้บอกให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะแล้วใหเราหยุดของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเออเนะะี่ยค่ะต้องใช้สตินะคะในการที่เราจะทาทุกๆอย่างหรือว่าการจะพูดจะเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให อยู่กับความรู้ตัวอย่างเนี้ค่ะไปเรื่อย อ, อ๋อสวัสดีถ้าอาจารย์กับครับก็เห็นท่านอาจารย์พูดเรื่องแต่แต่ก็ที่ท่านอาจารย์พูดนว่าถ้ามีกรรมฐานนะ่ะมันก็จะ<ช>มันก็จะเป็นเหมือนว่าแต่มีแต่ช่วยได้เยอะนะครับตอนนี้ผมป่วยเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่คงมีตกกังวลเยอะครับค่ะแล้วตอนตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยที่ได้พักเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยไหมคะว่าโอ้เราได้พักผ่อนนานอะไรอย่างนี้นอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนมีเวลาพักผ่อนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไหมคะมั น, มน <c oughs> ประมาณแบบว่าบางครั้งมันก็พอใจนะครับค่ะีน้บางครั้งมันก็ไม่พอใจในการที่มันได้พักผ่ะนบีม <c oughs> <c oughs> ันก็แบบว่าคือเหมือนว่าตอนนี้นี่แบบว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะบพี่ตอนตอนี้ผมอยู่นะค่ะก็ไม่รู้ก็ บางทีก็ได้เป็นผู้ดูเนาะมาบางทีว่ามันก็กังวลพี่เอ๊ตื่นมาเราจะมีใข้ไหมตอนนี้ต้องใช่ครับออกซิเจนในเลือดมันจะนี่ไหมเดี๋ยวสักแป๊บมันก็มีความสุขพี่เราอยู่งี้ก็ดีอยู่อยู่ไปก็เบื่อกลับไปกลับมานะใช่ใช่ทีมันวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับอมันจะเอ๊เดี๋ยวก็อยากกินนันนู้นเดี๋ยวก็อยากกินอันนี้เพราะว่า ที่ป่วยนี่มันมันไม่ได้กลิ่นพี่ของผมนะแล้วเราสู่กันฟังนะครับกันคือว่าคพอไม่ได้กินสั่งอะไรมากินมันก็ตอนมันคิดนะมันมันมันคิดว่ามันจะอร่อยแต่พอกินไปแล้วก็เมันไม่ได้กลิ่นรสชาติมันก็ไม่ได้รับครับอืมนเออแต่มันก็ยังก็เหมือนมันเหมือนเหมือนเราก็เห็นว่ามันโนว่ามันอร่อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็คิดไปเองว่ามันยังได้รสชาติแบบนี้แต่เวลามันลง มันเราเรารับรถแล้วเรารู้ว่าอ๋อมันไม่มีรสชาติเนี่ครับอืมแต่ว่าเนี่ยครับแต่ก็เหมือนพาะอาจารย์ว่าช่วงอยู่ผมอยู่สิบเอ็ดวันครับเห็นมันวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับแต่ถ้าแปลว่าคือทุกคนก็อยากจะกลับบ้านกันเนี้ยครับ่พอเรามีกรรมฐานเหมือนพระอาจารย์ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วครับจะอยู่โรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าจิตใจนี่มันก็ไม่เที่ยงครับอีเรา อันนี้พูดแบบความคิดเอาสมมุติมาคุยกันนะครับอาจารย์พ่ออาจารย์พีพอ่พอาจารย์สอนผมครับเพราะว่าบางทีมันก็อยู่ข้างในมันก็มีความสุขดีเอาแป๊บแป๊บอยตอนบ่ายเอ้ามันไม่สุขละมันอยากออกเา <c oughs> คิดเอามันอยากออกแป๊บแป๊เอ้ามันก็ดับไป อ, อยู่นี่ก็ดีอย่างเงี้ยครับสบ <c oughs> ับไปวิ่งเข้าวิ่งออกจ <c oughs> นแบบว่าเนี่ยกรรมฐ า, านที่อาจารย์พูดเนี่ยทําให้ไม่ไม่มั่นใจคือคือเราเรามั่นใจในตัวรู้ เมื่อวาอาจารย์มีคำพูดหนึ่งที่ผมผมฟังแล้วคือมันเราผมก็เป็นผู้เดินทางนรับกำลังเป็นพระปฏิบัติกือกำลังเป็นคนปฏิบัติครับที่อาจารย์ว่าจงศรัทธานในตัวรู้ครับอาจารย์เป็นคําพูดที่ยังผมเพิ่งปฏิบัติเนต้องต้องนำมาใช้ครับ <S <S <S <S ว่าเหมือนอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเมื่อเรามีกรรมฐานเนี่ยไอตัวเบื่อมันจะมามันจะมาเตือนเราบ่อยาครั บ, รบเดี๋ยวไปทํานู่นก็เบือ่อไปทํานี่ก็เบื่อ แต่พอเรามีกรรมฐานเราก็จะแบบว่าโอมันเป็นของมันเองนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราไปในเบื่อมันก็ทําหน้าที่ของมันไปรู้ก็นะครับเมื่อวานได้ได้คําพูดคําพูดที่อาจารย์สอนเราให้ศรัทธานในตัวรู้นะครับมันก็ทําให้เแบบเหมือนการที่ผมมาฟังพระอาจารยนะ์เนี่ยมันทำให้ผมมีกําลังใจนะครับในการที่เราจะมีทํากรรมฐานนะเห <Okay. S 2> มืนมนอนมีคนคอยเป็นสติครับ mm hmm. ที่ได้มาฟังาอาจารย์ทุกวันเนะี่ย ถ้าไม่งั้นมันก็จะแบบว่าหลงไปในโลกบ้างจนจนเอาตัวเองไปทุกข์แต่ถ้าพอมีตัวรู้เนี่ยมันจะไม่หลงครับความถูกกันน้อยลงจริงๆครับอาจารย์แลกเปลี่ยนกันนะครับพี่นุ้ยครับอาจารย์ขอบคุณครับค่ะสุขค่ะขอบคุณค่ะเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็สอนเรานะคือบางทีขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามันรู้เป็นขณะขณะแต่ถ้าสมมติว่าเรา ปรวลรวบเขาเรียกว่าประมวลเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ย อ, อย่างชีวิตเราที่ผ่านมานะถึงแม้ว่ามันจะผ่านแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ได้รู้ได้เห็นก็จะเห็นความจริงเขาเและเขาเห็นความจริงในภาพรวมว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะสิ่งที่เคยดีถูกใจมันก็เคยมีแล้วพอตอนหลังมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ที่ไม่ถูกใจมันก็มีแล้วมันก็สลับหน้าแบบเนี้ยนะสลับหน้าไปเรื่อยมันไม่คงที่ ตรงนี้แหละมันก็สอนเราให้เห็นว่านี่แหละคือสัจจกความจริงทีงนี้พอเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยภาคการปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบั น, นยอย่าไปหวังอะไรเลยนะอย่าไปหวังว่าอะไรก็ให้เป็นไปตามใจหวังของเราเลิกหวังไปได้เลยเพราะว่าความจริงมันสอนเรามาก่อนหน้านี้แล้วว่าอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเพราะนั้นเมื่อเราไม่หวังเช่นสมมติ ข, ขณะที่ทาสมาธิเนี่ยนะผู้ใหม่เนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่า ประสบการณ์หรือว่าปัญญาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจสัจธรรมเนาะก็หวังไปตามที่ตัวเองคาดคะเนคำนวณหรือว่าคิดเอาหรืออาจจะมีคนบอกเช่นบอกว่าเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะสงบนะจิตจะโล่งโปร่งเบาสบายนะความคิดไม่มีอะไรเงี้ยสิ่งพวกนี้บางทีเราอาจจะได้ยินได้ฟังมาอมพอเราเริ่มปฏิบัติก็รู้สึกว่ามันเข้าใจอย่างนี้ไปแล้วไง แล้วก็ทำสมาธิ <S <S พอทำสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ที่เราวางเอาไว้มันก็เกิดความแบบหงุดหงิดหุ้งชานิําคัญใจนะเออแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ความสงบเลยตรงเนี้ยเพราะว่ามันไปไปปักธงเอาไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้สําหรับผู้ใหม่เนาะแต่ถ้าผู้ที่เก่ามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาไม่หวังเรื่องเรื่องเรื่องความสงบแล้วเอาเป็นว่ารู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันรู้ยังไง รู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเยช่นสมร่าม <c oughs> จะเรียกว่าทำสมาธิอ่ะเนาะตอนนี้มันยังพุ้งซ่านอยู่ก็รู้ตรงๆไปเลยง่ายมากเลยภุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะไม่ต้องไปสู้ลบไม่ต้องไปอะไรเลยนะให้เป็นรู้อย่างเงี้ยคือรู้ว่ามันฟุงงซ่าน <c oughs> แล้วก็รู้รู้โดยที่ไม่ต้องไปหวังว่ามันเมื่อไหร่มันพุงงซ่านจะหายไปเมื่อไหร่มันจะสงบไม่ต้องหวังอย่างนั้นเลยก็ นั่งอยู่อย่งนั้นแหละแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าอาจจะนั่งยกมือสิบี่ชังงว่าอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในอาการอย่างนี้ยจิตใจเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นร่างกายที่กําลังทําอะไรอยู่เช่นนั่งยกมืออยู่ก็ก็รู้ว่านั่งยกมือสิบสีชังงว่าหรือดูลมหายใจนะก็คือดูร่างกายมันหายใจทําเพียงแค่นี้พอความจริงเนี่ยหมายถึงว่าอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเช่นลมหายใจอย่างนี้ก็เป็นแสกแค่ เออเป็นสิ่งที่ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ความคงสั้นนะมันก็เป็นแค่เพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยมันจะง่ายในการปฏิบตัติเพราะว่าที่เราฝึกเนี่ยคือฝึกละโลภโกรธหลงก็คือล่าความอยากเพราะนั้นไม่ต้องอยากความสงบนะไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นตามที่คนอื่นเขาได้แล้วอเ น, นี้ยเราเราไม่ต้องคำนึงตรงนั้นแต่เรามากาลังฝึกตัวรู้อยู่ ว่าเออร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไหมความคงทา่เกิดขึ้นรู้ไหมหรือว่าความสงบเกิดขึ้นรู้ไหมคือมาฝึกเรื่องตัวรู้เนี่ยเมื่อวานถึงหลวงพ่อได้บอกว่าไอ้ตัวรู้นี่แหละที่ที่เราต้องฝึกต้องอะไรแล้วเมื่อฝึกแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจเองว่าไอ้ตัวรู้นี่แหละคือตัวที่ทําให้หลุดพ้นจากอารมณ์นะมันเพราะว่ามันแยกเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมันไม่รู้จัก คือพวกเราเนี่ยนะเขาเรียกระสติปัญญามันมยังไม่รู้จักตัวรู้เลยมีแต่ตัวหลงคือไม่รู้อะไรคือไม่รู้จักตัวรู้พอไม่รู้จักตัวรู้มันก็จะทําให้หลุดพ้นไม่ได้เพราะว่าจริงๆไอ้ตัวที่หลุดพ้นก็คือรู้นี่แหละเป็นตัวหลุดเป็นตัวพ้นหลวงพ่อยกตัวอย่างว่าเออเมื่อก่อนนะสมมติว่า อ, อยกตัวอย่างเรื่องความพุ่งสั้นก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาพุ่งสั้นเนี่ยนะ มันรู้จักอย่างเดียวเพาว่ามีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่ฟุ้งซ่านนะแล้วก็เป็นเราด้วยเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่ไม่เคยรู้จักไอสภาพธรรมะที่ทำหน้าที่รู้เลยไม่เคยรู้จักก็เลยมีตัวเราเข้าไปยึดความฟุ้งซ่านมาเป็นของตนเนาะแต่ทีนี้เมื่อเราฝึกบ่อยๆอฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้พอรู้เนี่ยเมื่อมันมีการพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเข้าใจขึ้นมาเลยว่า ความ um, คงสั้งเนี่ยเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่รู้เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของจิตจิตที่มีสตินะพอแยกด้วยปัญญามันก็จะเริ่มเริ่มมองออกแล้วว่าอ๋อความคงสั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งพอมันพัฒนาตัวรู้มากๆเนี่ยมันเหมือนกับมันจะออกห่างออกมาว่าไอ้ความคงสั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ตัวร mm ู hmm. comes, ้เนี yes, ่ยเหมือนกับมันถอยออกมาดูเนาะ อันนี้หลวงพ่อพูดแบบเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นเนาะเออเหมือนกับว่ามันเป็นผู้ ด, ดูมันถอยออกมาดูพอถอยออกมาดูเสร็จมันเข้าใจคือปัญญาเนี่ยจะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าความฟุ้งซ่านกับรู้เนี่ยมันเป็นคนละตัวเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ฟุ้งซ่านไปนดีแต่รู้แล้วไงรู้รู้อยู่อย่างนี้เออพ อ, อ, อพอเรามีเหมือนกับว่าฝึกไปเนี่ยเพราะว่าอารมณ์อารมณ์ที่ถูกรู้มันไม่ใช่มีแต่ฟุ้งซ่านเนาะมันมีมากมายมหาศาลเลยอารมณ์ต่างๆ แล้ว <Okay. S 1> อารมณ์ทุกนั้นได้ผ่านการรับรู้มาหมดแล้วแล้วต่อมาก็จเจริญสติคือมีตัวรู้มากขึ้นอีกตัวรู้เนี่ยก็จะทําหน้าที่รู้แต่ก็ไม่ติดไปไม่หลงไปเป็นมันแยกออกมาเป็นผู้ดูหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่อรู้เนี่จึงเห็นแจ้งเนาะเห็นแจ้งต่ออารมณ์เห็นแจ้งรู้แจ้งจนกระทั่งไม่หลงเข้าไปเป็นเมื่อไม่หลงเข้าไปเป็นตรงนี้ทุกข์ก็จะน้อยลงเรื่อยๆเลยๆสุดท้ายเนี่มันถ้าเห็นแจ้ง แจ้งแจ้งแจ้งจนกระทั่งจริงๆอะมันไม่มีทุกข์เลยนะถ้าเห็นแจ้งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเนาะอมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปยึดไม่หลงไปเป็นตัวตนเนี่ยตรงนั้นมันเป็นความหลุดพ้นอืแล้วก็ไม่มีทุกข์เลยที่ไม่มีทุกข์เพราว่าไม่มีผู้ทุกข์เนาะมีแต่สิ่งถูกรู้แล้วก็มีธรรมชาติรู้ซึ่งทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะเมื่อเช้าหลวงพ่อก็คุยกับ กับพระเนี่เนาะตอนบินทบาลก็คุยกันนั่นแหละก็ลองคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนการถามท่านว่ า, าท่านทําว่าเออเออเหมือนกับว่าโอเคพระก็ท่านก็ปฏิบัติมานานแล้วเนาะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องความไม่มีตัวตนนะมีแต่สังขารหลวงพ่อก็บอกว่าเออให้อธิบายซิว่าก่อนที่เราปฏิบัตินะ่ะมันเป็นยังไงถึงเข้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วพอ พอปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้ว ท, ที่เข้าใจว่าไม่มีเราไม่มีตัวไม่ตนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความต่างกันยังไงนะทีนี้ท่านก็อธิบายตามความรู้ของท่านนั่นแหละท่านบอกว่ามันก็ก็เป็นปัญญาแหละปัญญาคือเข้าใจถูกเข้าใจถูกเมื่อก่อนมันมันไม่มีปัญญาอืมมันไม่มีปัญญามันก็เข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเสร็จมันก็ไปยึดนะไปยึดขันห้านี่แหละมาเป็นเราเป็นของเราแต่พอเข้าใจถูก มันก็มันเป็นปัญญาไปแล้วเนี่ยจิตมีปัญญาก็เลยไม่หลงยึดขันหน้ามาเป็นตัวตวนเนาะขันหน้าก็ยังเป็นขันหน้าอยู่ทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าพูดหมดแล้วยังท่านก็ก็คงมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไเงเองเองออนาะก็เลยหลวงพ่อก็แลกเปลี่ยนให้ฟังว่า อ, อสิ่งที่เห็นมาเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จักตัวรู้หมายถึงเราที่เป็น ในขั้นนู้นน่ะนะเราไม่รู้จักตัวรู้แต่เรารู้จักรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักแต่สิ่งถูกรู้อย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจหรอกว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้มันเข้าใจว่าเป็นเราไปหมดเลยนะเช่นความเจ็บอย่างเนี้ยไม่ได้เข้าใจเลยว่าความเจ็บเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็ไม่เคยมีความรู้เลยว่ามันมีผู้รู้มีตัวรู้ที่มารู้ความเจ็บก็เลยความเจ็บเป็นเราซะเลยเนี้ย หรืออาการอื่นๆมันก็เป็นเราหมดเลยความเจ็บความทุกข์ต่างๆมันเป็นเราหมดเลยเพราะแยกรู้ไม่เป็นและก็ยังไม่รู้จักผู้รู้แต่ต่อมาเมื่อจเจริญสติมากๆมากๆมาก ๆ, ๆมันเริ่มมีสตินะพอเริ่มมีสติก็เริ่มรู้จักว่าอารมณ์หรืออาการต่างๆมันก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็สติที่เป็นที่รู้ได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นผู้รู้ เออพอพอเจริญมากมากเข้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าอือะไรเกิดขึ้นมันก็เริ่มรู้รู้ทันมากขึ้นรู้ทันมากขึ้นจึงมีปัญญาแยกเป็นว่าสิ่งถูกรู้ก็เป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอ่าสติที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอแต่นี้ยิ่งฝึกมากมันก็ยิ่งชัดเลยว่ามันเป็นคนละสิ่งแล้วก็ไอตัวสติหรือตัวรู้เนี่ยเหมือนกับว่ามัน มันไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกันแหละมันมันแยกได้อะมันแยกคือมันมันชัดด้วยปัญญาเนาะแยกไดแล้วก็เมื่อเห็นต่อไปฝึกมากๆเข้าเนี่ยมันก็แจ่มแจ้งเลยว่าไอ้สิ่งถูกรู้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ไอ้รู้เนี่ยที่เป็นสตินี่เนาะมันก็รู้ของมันอย่างนั้นแหละเออะฉนนั้นก็จริงๆมันก็มีแค่สองสิ่งเนี่ยสิ่งถูกรู้กับผู้รู้อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นการพลากการการพลากก็คือ มันไม่เข้าไปเป็นมันไม่ติดกันตรงนี้แหละจึงเป็นความต่างความต่างตอนที่ตอนที่ยังไม่ไม่ภาวนาตอนที่ยังไม่ฝึกสตินะมันไม่เห็นมันไม่เห็นการคือมันไม่เห็นว่ามีสิ่งถูกรู้กับผู้รู้มันไม่รู้จักแต่พอเมื่อปฏิบัติมากเข้ามันจึงเห็นแจ่มแจ้งชัดเลยว่าอ๋อมันมีสิ่งถูกรู้แล้วก็ผู้รู้แล้วก็สิ่งถูกรู้ก็มันก็เกิดดับได้มันก็เป็นเช่นนั้นของมันอย่างนั้น ส่วนผู้รู้เออมันก็รู้ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นเนาะแล้วก็จะเห็นความเข้าคือมันจะเข้าใจเลยว่าความเป็นตัวเรามันก็ไม่มีสิเพราะมันมีข้อแค่แค่นี้เองอืมทีนี้พอเป็นอย่างนี้ก็คือตรงนี้คือจุดที่ทําให้เห็นชัดว่าอ๋อความเป็นเราหายไปก็เพราะมันรู้จักผู้รู้มันรู้จักผู้รู้หลวงพ่อก็เลยมองถึงว่าคนทั่วไปเนาะถ้ายังไม่รู้จักผู้รู้เนี่ย ก็ยากที่จะถอนความความเป็นตัวตนได้เพราะมันยังคือมันเป็นอะไรจะเรียกอะไรอ่ะคือถ้าแยกไม่ได้อ่ะเนาะมันก็ยังเป็นเป็นสิ่งนั้นนั่นแหละคือเราจะเป็นสิ่งนั้นเองแต่ถ้าแยกได้เนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันไม่มีเราในสิ่งไหนอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นไปหลวงพ่อก็เลยมานึกถึงนะว่าเนี่ยที่จะคุยกับโยมที่จะบอกกับโยมเนี่ยคือต้องฝึกให้ฝึกสตินี่แหละ เพื่อให้มันเป็นตัวรู้ที่เด่นชัดนะแล้วมันสามารถรู้ทุกสรรพสิ่งที่เป็นขันธ์หน้าเนี่ยรู้ไว้หมดเลยเมื่อรู้แล้วก็ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ปล่อยของมันเองคือมันถอนออกมาเองคือมันรู้ว่ามันอะหลุดออกมาจากสิ่งถูกรู้แล้วนะเพราะมันเป็นคนละสิ่งกันเพราะมันหลุดเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความหลุดเป็นความพ้นเมื่อหลุดเมื่อพ้นเนี่ยมันก็ต้องมันเข้าใจได้เองนะว่าอ๋อนี่หลุดพ้นแล้วเพราะมันเป็นคนละสิ่งกัน แล้วก็พอหลุดพ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันมันเข้าใจไปแล้วมันจะกลับไปไปไม่หลุดไม่ได้สิเพราะมันมันหลุดแล้วมันพ้นแล้วเออก็เป็นอย่างนี้ก็เลยหลวงพ่อบอกเออนะพวกเรานะเจริญสติให้มากๆๆๆมันจะได้แยกแล้วก็จะเข้าใจว่าหลุดพ้นเข้าใจเพียงสักนิดหน่อยก็ดีนะว่านี่หลุดพ้นคือแบบนี้นะเออแล้วต่อไปมันก็จะพัฒนาเองเน่ะเพราะว่าอะไรพอมันรู้อะไรแล้วมันก็ไม่เข้าไปเป็นเนาะมันไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดไง เพราะมันมันคนละคนกันแล้วอะ่ะ น, นี่ตะวันเป็นคนคนละตัวกันแล้วก็เลยแจ่มแจ้งไปอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ที่แลกเปลี่ยนกันเพราะบางคนเขาเขาอาจจะเข้าใจของของเขาแบบนั้นนะแต่นี้ผลทางการปฏิบัติคือเพราะว่าเราเน้นเรื่องหลวงพ่อเน้นฝึกสติมากเลยู้ตัวลตัวก็เลยเข้าใจในแบบนี้แหละ